8. ปัธรมทุทตะโทะสะศิขาบทถามทรงบัญญัติสังฆาทิเศษเพราะการใส่ความภิกษุด้วยอาบัติปราชิกไม่มีมูลเป็นปัจจัยณที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงราชครืถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพระเมตติยะและพระภู ม, มิชจกกะถามเพราะเรื่องอะไร ตอบเพราะเรื่องที่พระเมติยะและพระภู ม, มิชะกะใส่ความท่านพระทัพพระมละบุทด้วยอาบัติปาราชิกไม่มีมูลในปัตมะทุทธะโทสะสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัติหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสามสมุดฐานละ